1>, 1. ผู้ไม่ใช่นกแก้วนกขุนทอง 2. ถุงทรรา 3. ปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษ 4. ผู้สนทนาถูกเรื่องที่ควรสนทนา 5. เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน 6. ยยอดแห่งความเพียร 7. ผู้ไม่มีอาหางกา 8. ผู้ไม่ทำศาสนาเสื่อม 9. ผู้สามารถทำพระศาสดาให้เป็นมิตรสบ คนควรเลี้ยงโคส1อ็ 11. ลูกในคอกสบองทางเจริญของลูกในคอกสบผู้ไม่โลเล 14. ผู้ไม่ร้องเพลงส5หผู้ไม่ประมาท 16. ผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ทรรม 17. ผู้ตายไม่เสียที 18. ผู้ไม่หลนจากาศาสนา ภูมิทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่สิห้าว่าด้วยการไม่ละล้วมในธรรมปฏิปักษขณัยของหมวดหอันว่าด้วยการละล้วมในธรรมผู้ไม่ใช่นกแก้วนกขุนทองภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรมนาน า, นาชนิดเคสุตตะเคยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมะ เวทันละและเธอย่อมรู้ทั่วถึงความหมายอันยิ่งแห่งธรรมนั้นๆด้วยปัญญาภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่าธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมภิกษุภิกษุผู้มากด้วยปริยัตรเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการบัญญัตรเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการสาธยายเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการคิดเราก็แสดงแล้วและธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรม เราก็แสดงแล้วด้วยประการชนี้พิสุจิตอันใดที่ศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เพื่อคูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทำแก่สาวพวกทั้งหลายจิตอันนั้นเราได้ทำแล้วแกพวกเธอทั้งหลายพิกสุนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายพิกสุเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้เป็นผู้ประมาท เธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราทุงธรรมภิกษุภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดเคลสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาตกะอภูตธรรมะเวทันละแต่เธอไม่ใช้วันทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการเรียนธรรมนั้นๆไม่เลิดร้างจากการเหล็กเร้นประกอบตามซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงบใจในภายในเนืองเนืองพิสุอย่างนี้แลชื่อว่าธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรม ภิกษุภิกษุผู้มากด้วยปริยัติเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการบัญญัติเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการสายายเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการคิดเราก็แสดงแล้วและธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมเราก็แสดงแล้วด้วยประการฉนีภิกษุกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแกสาวกทั้งหลาย กิจอันนั้นเราได้ทําแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้เป็นผู้ประมาทเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนเธอทั้งหลายของเรา ปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดเคอสุตตะเคยยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตะชาตะกะอภูตธรรมะเวทันละกุลบุตรเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมนั้นนั้นแล้วก็สอสองใคร่โครนเนื้อความแห่งธรรมนั้นนั้นด้วยปัญญา เมื่อส่อส่องไ ค, คร่ครววเนื้อความด้วยปัญญาทำเหล่านั้นย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของกุลบุตรเหล่านั้นกุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมด้วยการไม่ได้เพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมหรือของลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งและไม่ได้มีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทําลายลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอนิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดกุลบุตรเหล่านั้นก็ได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรม ธรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นธรรมที่กุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นไปเพื่อความเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นเองตลอดกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่ธรรมทั้งหลายอันกุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการใครจะได้งูเที่ยวส่อสแสวงหาอยู่บุรุษนั้นครั้นเห็นงูตัวใหญ่ จึงเอาท่อนไม้มีง่ามดังเท้าแพะกดงูนั้นให้เป็นการถูกกดไว้อย่างดีครั้นแล้วจึงจับงูนั้นที่คออย่างมั่นคงแม้งูตัวนั้นจะพึงรัดเอามือแขนหรืออวเยวะแห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นด้วยลำตัวของมันก็ตามทีแต่บุรุษนั้นไม่ตายหรือไม่ต้องได้รับทุกเจียนตายเพราะการรัดของงูนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเพราะเหตุไร พระงูตัวนั้นถูกจับไว้อย่างมั่นคงดีแล้วเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นกุลบุตรบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมนาน า, นานชนิดปุลบุตรเหล่านั้นคลั้นเล่าเรียนธรรมนั้นนั้นแล้วก็สอส่องใคร่ครัวเนื้อความแห่งธรรมนั้นนั้นด้วยปัญญาเมื่อสอส่องใคร่ครัวเนื้อความด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของกุลบุตรเหล่านั้น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 เพื่อสุกแก่กุลบุตรเหล่านั้นเองตลอดกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่ทําทั้งหลายอันกุลบุตรเหล่านั้นเธอเอาด้วยดีเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทราบถึงความหมายแห่งคําพูดอันใดของเราพึงจดจําข้อนั้นโดยประการนั้นถ้าพวกเธอยังไม่เข้าใจเราจะทบทวนในข้อนั้นแก่เธอทั้งหลาย หรือพวกเธอเอาไปสอบถามผู้พิกษุผู้ฉลาดดูก็ได้แลผู้สนทนาถูกเรื่องที่ควรสนทนาภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอย่ากล่าวถ้อยคำที่ยืดเถือเอาแตกต่างกันว่า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 ท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วเพื่อให้ถอนคำพูดผิดๆนั้นเสียหรือถ้าท่านสามารถก็จงค้านมาเถิดดังนี้พวกเธอทั้งหลายไม่พึงกล่าวถ้อยคำเห็นปานนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นๆไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรันทร์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความนายความคลายกำนัดความดับความระ ง, งับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพาน ภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอทั้งหลายจะกล่าวจงกล่าวว่าความทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุที่เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้ น, น, นเป็นการกล่าวประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจาร์เป็นไปพร้อมเพื่อความนาย ความคลายกำหนัดความดับความระ ง, งับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุที่เกิดทุกนี้ความดับสนิทแห่งทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกดังนี้แหล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 ด้วยการสอบถามกันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิศแลยอดแห่งความเพียรภิกษุทั้งหลาย ความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากในโลกสองประการอะไรบ้างเล่าสองประการคือฝ่ายคราหัดผู้ครองเรือนต้องใช้ความเพียรเพื่อให้ได้เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยากแก้ไข้นี้อย่างหนึ่งฝ่ายบรรพชิตผู้ออกบัวจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องใช้ความเพียรเพื่อละอุปธิเสียทั้งหมดนี้อย่างหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในโลกภิกษุทั้งหลายบรรดาความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้ความเพียรเพื่อละอุปธิเสียทั้งหมดจดเป็นยอดแห่งความเพียรภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจากตั้งความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธาน เพื่อละอุปธิเสียทั้งหมดดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แหละผู้ไม่มีอาหางกาสารีบุตรแม่เราจะพึงแสดงธรรมโดยย่อ ก, ก็ตาม โดยพิสดารก็ตามทั้งโดยย่อและพิสดารก็ตามผู้รู้ธรรมก็ยังมีได้โดยยากอยู่นั่นเองข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาแล้วข้าแต่พระสุคตเจ้าถึงเวลาสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงแสดงธรรมโดยย่อก็ตามโดยพิสดารก็ตามทั้งโดยย่อและพิสดารก็ตามผู้รู้ธรรมจกมีเป็นแน่ท่านพระสาวรีบุตรกราบทูลขอร้อง สาเรบุตรเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่าอาหางการความถือว่าเรามมมังการความถือว่าของเราอันเป็นมานานุัยกิเลสที่สะสมอยู่ในสันดานเคยมานะจะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งกายอันมีวิญญาณ น, นี้และจะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งสิ่งเอื่นที่เห็นอยู่ภายนอกทั้งสิ้น เมื่อภิกษุเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตอันใดอยู่อาหารการะมัมงการอันเป็นมานานุสัยจากไม่มีเราทั้งหลายจะเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตอันนั้นแล้วแลอยู่ดังนี้สารีบุตรเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้เถิดสารีบุตรเมื่อใดแลภิกษุไม่มีอาหารการะมัมงการอันเป็นมานานุสัส อันเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งกายอันมีวิญญาณนี้และไม่มีอาหารการมามังการอันเป็นมานานุสัยอันเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งสิ่งเอืน่นที่เห็นอยู่ในภายนอกทั้งสิ้นและเมื่อเธอเข้าถึงเจโต ว, วิมุตติปัญญาวิมุตต์อันใดอยู่อาหางการมามังการอันเป็นมานานุสัยจากไม่มีเธอเข้าถึงเจโต ว, วิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันนั้นแล้วแลอยู่สารีบุตรเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่า ตัดตันหาได้แล้วหรือสัญน์เสียแล้วทำที่สุดแห่งทุก์ได้เพราะรู้จักหน้าตาของมานะอย่างถูกต้องแล้วผู้ไม่ทำศาสนาเสื่อมภิกษุทั้งหลาย มูลเหตุสีประการเหล่านี้ย่อมทำให้พระสัจธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสู์ไปสประการอะไรบ้างเล่าสประการคือหนึ่งิุทั้งหลายผู้ภิกษุในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันเถอกันมาถกูกด้วยบทพยัญชนะที่ใช้ฟันถูกความหมายแห่งบทพยัญชนะที่ใช้ฟันก็ถูกย่อมมีนยอันถูกต้องเช่นนั้นภิษุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่หนึ่ง ซึ่งทำให้พระสัต์ธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 2. ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งผู้พิกษุเป็นคนว่าง่ายประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายอดทนยอมรับคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สองซึ่งทำให้พระสัต์ธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 3. ภิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่งผู้พิกษุเหล่าใดเป็นพหูสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาแม่บทผู้พิกษุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงละไปสูตรทั้งหลายก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากอาจารย์มีที่อาศัยสืบกันไปภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สาม ซึ่งทำให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลื อ, ลอนจนเสื่อมสู์ไป 4. ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งผู้พิกษุผู้เทระไม่ทำการสะสมบริคารไม่ประพฤติย่อหย่อนในไตรึกขาไม่เป็นผู้นำในทางรามมุ่งหน้าไปในสิทธแห่งวิเวกธรรมย่อมปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทาให้แจ้ง พู้ภิกษุที่บวชในภายหลังได้เห็นพระเทะเหล่านั้นทําแบบฉบับเช่นนั้นไว้ก็เถอเอาเป็นตัวอย่างผู้ภิกษุรุ่นหลังจึงเป็นพระที่ไม่ทําการสะสมบริขารไม่ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิขาไม่เป็นผู้นําในทางรามมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมย่อมปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้ง ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สี่ซึ่งทําให้พระสัจธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสีประการเหล่านี้แลย่อมทําให้พระสัจธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปเลย สามารถทำพระาศาสดาให้เป็นมิตรอานนท์สาวกทั้งหลายเรียกร้องห า, าศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตรเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ในกรณีนี้าศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจึงแสดงทาแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลาย และสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของศาสดาไม่ฟังด้วยดีไม่เงียหูฟังไม่ตั้งจิตกําหนดเพื่อรู้ทั่วถึงแต่แกล้งทําให้ผิดจากคําสั่งสอนของศาสดาไปเสียอานนท์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แหลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตรอานนท์ สาวกทั้งหลายเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเป็นอย่างไรเล่าอานอน์ในกรณีนี้ศาสดาผู้เอนโดแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอนโดแล้วจึงแสดงทำแกสาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแกพวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแกพวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้น สาวกเหล่านั้นของศาสดาย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงและไม่แกล้งทำให้ผิดจากคำสั่งสอนของศาสดาอานน์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แหลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูอานน์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิด อย่าเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายเองตลอดกาลนานอานนท์เราไม่พยายามทํากับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม่อทําแก่ม่อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุด ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้เองแลคนควรเลี้ยงโคภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองค์คุณสิบเอ็ดอย่างแล้ว ย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทําให้เพิ่มกําไรได้องค์ ค, คุณสิบอ็ดอย่างอะไรบ้างเล่าสิบอ็อย่างคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้เคี่ยวไ ข, ข่ค้างเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สุ่มควันเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรนําโคไปเป็นผู้รู้จักน้ําที่โคควรเด่มเป็นผู้รู้จักทางที่โคควรเดิน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 ภิกษุที่ประกอบด้วยองค์คุณสิบอประการแล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพูโบ์ในธรรมวินัยนี้ได้ฉันนั้นองค์คุณ11ประการอย่างไรบ้างเล่าสิบอประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักรูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นผู้คอยเคี่ยวไข่ค้างเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สุมควัญเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไป เป็นผู้รู้จักน้าที่ควรเดิมเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นผู้รู้จักฤทธนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในพิสุทั้งหลายผู้เทระมีพรรษาายุการบวชนานเป็นบิดาสงเป็นผู้นำสงด้วยการบูชาเป็นพิเศษ รู้จักรูปภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่ารูปชนิดใดข้อตามทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือมหาภูตรูปมีสี่และอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แล ผู้ฉลาดในลักษณะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมการกระทำเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมการกระทำเป็นเครื่องหมายดังนี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แลพวกคอยเขี่ยไข่ค้าง ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คอยเขี่ยไ ข, ข่ค้างเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อดกลั้นได้และบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยการความตรึกเกี่ยวด้วยความมุ่งร้ายความตรึกเกี่ยวด้วยการทำความลำบากให้แก่คนอื่นที่เกิดขึ้นแล้วและอดกลั้นได้และบรรเทาทาให้สิ้นสุดทาให้หมดสิ้น ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลาโมกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คอยเขีย่ยไข่ข้างเป็นอย่างนี้แหละพวกปิดแผลภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโภธพะด้วยกาย รู้ทรมารมด้วยใจแล้วก็ไม่มีจิตยืดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นปายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว เธอรักษาและถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างนี้แหละพวกสมควันภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ hmm. เป็นผู้สมควนเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้แสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เล่าเรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สุมควนเป็นอย่างนี้แลผู้รู้จักท่าที่ควรไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อเข้าไปหาพว้พึกษุผู้เป็นพหูสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาแม่บทก็ไต่าถามไล่เลียงโดยทานองนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระพุทธวจนะนี้เป็นอย่างไรความหมายแห่งพระพุทธวจนะนี้มีอย่างไรดังนี้เป็นต้นตามเวลาอันสมควรท่านพหูสูตรเหล่านั้นจึงทาข้อความที่ยังลี้ลับให้เปิดเผย ทำข้อความอันลึกซึ้งให้ตื่นและบรรเทาถ่ายถอนความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนาน า, นาประการให้แก่ภิกษุนั้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไปเป็นอย่างนี้แหลพวกที่รู้จักน้าที่ควรดื่มภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดืม่มเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื iron, root, ่อธรรมวินัยที่สถาคุประกาศไว้แล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่เธอก็ได้ความรู้อัดได้ความรู้ธรรมและได้ความปราโมทอันอาศัยธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จากน้าที่ควรเดินเป็นอย่างนี้แหลพวกรู้จากทางที่ควรเดินภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จากทางที่ควรเดินเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งอริยมักมีองค์แปดพิษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จากทางที่ควรเดินเป็นอย่างนี้แลพวกฉลาดในที่ที่ควรไป ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งสติปฐานสี่ภิกษ enfin ุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างนี้แลพวกฤทธินมโคให้มีส่วนเหลือภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู er. พพ้จักฤทธินมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายพวกครหัตผู้มีศรัธทธาย่อมปวารณาไม่มีขีดขั้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ด้วยจีวรนบินตาเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศปบ ร, ริขารในการที่เขาปวารณาเช่นนั้นภิกษุเป็นผู้รู้จักประมาณในการรับปัจใจสี่มีจีวรเป็นต้นเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จกักฤทธิ์นมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นอย่างนี้แล พวกบูชาผู้เท่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระละถึงด้วยการบูชาเป็นพิเศษเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาและการกระทําทางใจอันประกอบไปด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีพรรษาอยุ่การโบยนาน เป็นบิดาสง์เป็นผู้นำสง์ทั้งในที่แจ้งและทั้งในที่ลับภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้บูชายอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เทระละถึงด้วยการบูชาเป็นพิเศษเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลา ย, ภ, ลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์พคุณ11็ประการเหล่านี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้ได้แท้ ข้อพิกสุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเถิดเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนมันก็ไม่ได้ช่องทางและไม่ได้โอกาสที่จะทําตามอําเภอใจของมันที่ที่ควรเที่ยวไปเช่นนั้นเคอที่ไหนเล่าที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนนั้นได้แก่สติปัญสี สติปัฏฐานสี่อะไรบ้างเล่าสี่คือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติเพึงกํำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเ น, องเนืองเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ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 นี้แหละที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนของภิกษุทางเจริญของลูกในข้อพรามในธรรมวินัยนี้ เราสามารถบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งการศึกษาไปตามลำดับการกระทำไปตามลำดับและการปฏิบัติไปตามลำดับได้เหมือนกันกับที่ท่านมีวิธีฝึกสอนสิของท่านให้นับไปตามลำดับฉะนั้นพราหม์เปรียบเหมือนผู้ชำนาญในการฝึกมา้าได้ม้าชนิดที่อาจฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบางเหียก่อนแล้วจึงฝึกอย่างอื่นๆให้ยิ่งขึ้นไปชั้นใดพราหม์เอ่ย ฉันนั้นเหมือนกันต้าาคตครั้นได้บุรุษที่พอฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยดีในปาติโมคสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโครจรเป็นอยู่มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่เถอกันว่าเป็นโทษเล็กน้อยจงสมท า, านศึกษาในศึกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้ รามในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีลเช่นกล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้ถูกต้องโภธพพะด้วยกายได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วจักไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรคเถอทั้งหมด และการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งอันเป็นอกุศนลามกคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอจักปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอจักรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนี้พราม ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้สํารวมอินทรีย์เช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนําให้ยื่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้รู้ประมาณในโพชนะอยู่เสมอจงพิจารณาโดยแยบคลายแล้วจึงฉันไม่ใช่ฉันเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อไกยนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลาบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเคยหิวเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่เคย อ, อิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่พาสุขสํารจักมีแก่เราดังนี้พรามในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้ว ตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องเตือนไม่หลับไม่ง่วงไม่เมืนชาจงชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากเครื่องกี่กั้นทั้งหลายด้วยการเดินการนั่งตลอดวันอย่างค่ำ่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีเพอตะแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นถึงยามท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากเครื่องอ ก, กิกิยนทั้งหลายด้วยการเดินการนั่งต่อไปอีกดังนี้พรามในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเครื่องเติรนเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยื่นขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุ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 ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยื่นขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเสพเสนาสนะอันสงัดเกือป่าโคลไม้ภูเขาลำธารท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งกองฟางอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาภายหลังอาหารเธอกลับจากปินทบาทแล้ว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 พิสูจนั้นครั้นละนิวรณ์หประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทําปัญญาให้ถอยกําลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจารณ์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องพองใสในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกวิจารณ์ มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่และเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสเกาณ์ก่อน จึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแรอยู่พรามเอยภิกษุเหล่าใดที่ยังเป็นเสขะเคยยังต้องทำต่อไปยังไม่บรรลุอรหัตมรรยังปราถนานิพพานอันเป็นที่กเกษมจากโยคะไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าอยู่คำสอนที่กล่าวมานี้แหละเป็นคาสอนสาหรับพิษุทั้งหลายเหล่านั้นพรามเออย ส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปรงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงแล้วมีสัญญอดในพพสิ้นไปรอบแล้วหรือพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบแล้วทำทั้งหลายเนี่ยคำสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแล ผู้ไม่โลเลภิกษุทั้งหลายมูลเหตุ8ดอย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสียหายสำหรับภิกษุผู้ยังไม่จบกิดแห่งการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงนิพพานมูลเหตุแดอย่างอะไรบ้างเล่า8อย่างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่พอใจในการทำงานก่อสร้าง 2. ความเป็นผู้ไม่พอใจในการคุย 3. ความเป็นผู้ไม่พอใจในการนอนส ความเป็นผู้ไม่พอใจในการจับกลุ่มคู่คลีกัน 5. ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค 7. ความเป็นผู้ไม่พอใจในการกระทำเพื่อเกิดสัมผัสสนุกสบายทางกาย 8. ความเป็นผู้ไม่พอใจในการขยายกิจให้โยกโย่โอเอเนิ่นช้าภิกษุทั้งหลายมูลเหตุ8อย่างเหล่านี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสียหายสำหรับภิกษุผู้ยังไม่จบกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อรู้ถึงนิพพานผู้ไม่ร้องเพลงภิกษุทั้งหลายในอริยวินัยนี้ถือว่า การขับเพลงคือการร้องไห้การฟ้อนรำคืออาการของคนบ้าการหัวเราะถึงกับเสียฟันคืออาการของเด็กภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงกําจัดตัดรากการขับเพลงการฟ้อนรำเสียควรยิ้มแย้มพอประมาณต่อสัตว์ปรุษผู้บันเทิงในธรรมทั้งหลายเท่านั้น ผู้ไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายได้ยินเสียงสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวที่ร้องอยู่ในตอนย่ำรุ่งแห่งราตรีนี้ไหมได้ยินแล้วพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้นมันเกิดเป็นโรคเรือ้อนอกกันหนักะมันเที่ยววิ่งไปตามที่ที่มันอยากจะวิ่งไปมันเที่ยวยืนตามที่ที่มันอยากจะยืนมันเที่ยวนั่งตามที่ที่มันอยากจะนั่ง มันเที่ยวนอนตามที่ที่มันอยากจะนอนก็หาความสบายมิได้เพราะอำนาจแห่งโรคนั้นแม้ลมหนาวก็พัดโกรกตัวมันอยู่ภิกสุทั้งหลายข้อนั้นเป็นการดีสำหรับภิกสุคือข้อที่ภิกสุบางรูปในกรณีนี้ปฏิญญาว่าเป็นสมณะสัประยปุติยะแล้วก็รู้สึกตัวว่าตัวเป็นอย่างนั้นได้จริงๆภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แลผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม อาน o ์ภิษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอานน n เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายเพึงสนสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามทาอยู่ดังนี้อานอนท์พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหลผู้ตายไม่เสียทีอคิเวชนะท่าภิกษุเทระ หรืภิกษุปูนกลางหรือภิกษุใหม่ก็ตามที่ยังไม่เป็นขีนาสุขพระอระหันต์แล้วทํากาละลงไปก็ย่อมถึงซึ่งการนับว่าตายแล้วทํากาละแล้วทั้งที่ยังฝึกไม่เสร็จดุดดังช้างแก่หรือช้างปูนกลางหรือช้างหนุ่มของพระราชาที่ยังฝึกไม่ได้ตายลงก็ย่อมถึงซึ่งการนับว่าตายแล้วทํากาละแล้วทั้งที่ยังฝึกไม่เสร็จชั้นใดก็ชั้นนั้น ขี้เวชนะถ้าภิกษุเทระหรือภิกษุปูนกลางหรือภิกษุใหม่ก็ตามเป็นขีณาสพพระอรหัน์แล้วทํากาละลงไปก็ย่อมถึงซึ่งการนับว่าตายแล้วทํากาละแล้วอย่างเสร็จการฝึกแล้วดูดแดงช้างแก่หรือช้างปูนกลางหรือช้างหนุ่มของพระราชาที่เขาฝึกดีแล้วตายลงก็ถึงซึ่งการนับว่าตายแล้วทํากาละแล้ว อย่างเสร็จการฝึกแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละผู้ไม่หล่นจากศาสนาภิกษุทั้งหลายผู้ที่ประกอบด้วยเหตุสีประการเหล่านี้แล้วย่อมเรียกได้ ว, ว่าเป็นผู้ไม่หล่นจากธรรมวินัยนี้ ดังนี้เฮซีประการอะไรบ้างเล่าสประการคือ 1. ผู้ประกอบด้วยศีลอันเป็นเครื่องไปจากฆาศึกอริยะศีล 2. ผู้ประกอบด้วยสมาธิอันเป็นเครื่องไปจากฆาศึกอริยะสมาธิ 3. ผู้ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องไปจากฆาศึกอริยะปัญญา 4. ผู้ประกอบด้วยวิมุตติอันเป็นเครื่องไปจากฆาสึก อริยวิมุตต์ิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยเหตุสีประการเหล่านี้แล้วย่อมเรียกได้ว่าเป็นผู้ไม่หล่นจากธรรมวินัยนี้ได้เลยหมวดที่สิบห้าจบ